1.1 หลักการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนวงเล็บเปิดสิ 14. มีนาคม2550จุดจุดนาที6วงเล็บปิดหลักปฏิบัติต้องเป็นอันเดียวกันคือหลักที่พระพุทธเจ้าสอนอันแรกสุดเลยเราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องรู้ของจิตที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมคือกายกับใจเรานี่เองคือรูปกับนามมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ คำว่าเครื่องอยู่มันก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คุกเครื่องอยู่คือบ้านพวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ๆก็หาเรื่องติดคุกคือน้อมใจให้มันซึมทื่อนิ่งห้ามกระดุกกระดิกนะคนอยู่บ้านนี่เวลามีธุระออกจากบ้านได้ตลอดเวลาคนติดคุกอยากไปไหนก็ไปไม่ได้ถูกขังเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิหารธรรมคือเอากายเวทนาจิตธรรมเป็นบ้านเป็นที่ระลึก ข, ของสติ ให้สติมาคอยระลึกอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจิตใจมีธุระจะไปทำงานที่อื่นมันก็ออกจากบ้านไปวิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างวิ่งไปคิดบ้างมันก็ทำงานของมันเราไม่ได้ห้ามมันแต่พอหมดธุระแล้วก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับอิริยาบทนะมาอยู่กับพุโทโธก็ยังได้นะพุโทโธก็เนื่องด้วยความคิดเนื่องด้วยจิตพุโทโธก็เป็นชื่อของจิตเรามาอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานของเรา ใครเคยดูท้องผ่องยุบก็ดูไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปเคยขยับมือก็ขยับไปแต่ไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตนิ่งไม่ได้เพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งคือตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่เดียวคือติดคุกหลายคนภาวนาแล้วจิตอึดอัดนะพอลงมือภาวนาก็เพ่งเลยเพ่งกายเพ่งใจเพ่งให้นิ่งกายก็นิ่งนิ่งผิดความเป็นจริงจิตใจก็แข็งทื่อขึ้นมาผิดความเป็นจริงอันนั้นติดคุกแล้วไม่มีความสุขเลย จิตใจที่ไม่มีความสุขเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลต้องมีความสุขดังนั้นถ้าเราภาวนาแล้วหนักๆแน่นๆ แ, แข็งๆซึมๆทื่อๆนั่นอกุศลติดคุกอยู่ติดคุกทางใจนะขังตัวเองด้วยความเชื่อมั่นเอาเองด้วยทิฏฐิคิดเอาเองว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีฉะนั้นอันแรกเลยต้องมีวิหารธรรมคนไหนรู้ท้องพองยุบแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้นรู้ลมหายใจแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้น พุโทโธแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้นขยับมือทำจังหวะแล้วสติเกิดบ่อยก็เอาอันนั้นสติเกิดบ่อยก็คือรู้ทันตัวเองได้บ่อยเช่นบางคนดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปคิดแวบสติระลึกรู้ทันว่าหลงไปคิดแล้วลืมพองยุบไปแล้วพอระลึกรู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดมันจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเราก็เห็นร่างกายมันพองมันยุบไปตรงนี้เดินปัญญาได้แล้วเห็นว่าตัวที่พองที่ยุบอยู่ไม่ใช่ตัวเรา นี่จะเดินปัญญาได้หรือบางคนรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ไปสบายๆจิตหนีไปคิดแวบลืมลมหายใจมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วทันทีที่มีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งในขณะนั้นจิตมันจะเกิดตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าตัวที่กาลังหายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่เป็นรูปกาลังกระเพื่อมไหวยอยู่ มีธาตุไหลเข้ามามีธาตุไหลออกหรือรู้ทันว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาแต่เดิมจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วอยู่ๆจิตก็หนีไปคิดแล้วสติก็เกิดขึ้นเองอีกเกิดขึ้นเองทั้งสิ้นเลยสติระลึกได้ใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเองเดิมหนีไปตอนนี้ตั้งมั่นอีกแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาต้องมีสติใจตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วถึงจะเกิดปัญญา ความตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะไม่ใช่เอาสติไปเพ่งเพ่งลูกเดียวจิตไม่มีสัมมาสมาธิมีแต่มิจฉาสมาธิพอเพ่งไปจิตก็แข็งซึมทื่ออยู่ที่เดียวนะไม่เกิดปัญญาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตร ล, ลักษณ์ได้นอกจากมีวิหารธรรมแล้วเราก็ฝึกให้มีสติมีใจตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมามีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้เท่าทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมา นี่คือหลักของสติปัฏฐานนะอันแรกเลยมีวิหารธรรมอย่างเอากายในกายเป็นวิหารธรรมเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดกายเยกายานุปัสสีวิหรติปิดเครื่องหมายคำพูดมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสเรียกว่าอาตาปีไม่ใช่ภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสพวกเราชอบภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสคือสนองอัตตาตัวตนนั่นเอง ภาวนาแล้วเมื่อใดกูจะเก่งเมื่อใดกูจะได้เมื่อใดกูจะบรรลุภาวนาเพื่อสนองอัตตานะอย่างนี้ใช้ไม่ได้กิเลสไม่เร่าร้อนหรอกเราเร่าร้อนเองใจเราจะเร่าร้อนว่าเมื่อใดจะได้เมื่อใดจะได้ ม, ดไดมีอัตตาปีคือแผดเผากิเลสไม่ถูกกิเลสย้อมใจภาวนาโดยไม่ถูกกิเลสย้อมนะไม่ใช่กิเลสผลักให้ภาวนามีสัมปชาญโนคือมีความรู้สึกตัวขึ้นมามีสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจ กายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกแล้วจะนำไปสู่อีกประโยคหนึ่งเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดวิเนยะโลเกอภพิชาโทมนัสสังปิดเครื่องหมายคำพูดคือเอาความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้คำว่าโลกก็คือรูปนามกายใจเรานี่เองนะอย่าไปแปลว่าโลกตรงตัวนะไม่ใช่เอิร์ธนะโลกก็คือรูปกับนามกายกับใจนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะของาศาสนาพุทธ คำว่าโลกไม่ใช่โลกอย่างที่คนไทยใช้โลกอย่างที่คนไทยใช้คือพวกพบพวกภูมิโลกแปลว่าหมูสัตว์ก็ได้แปลว่ารูปน้ำก็ได้พอเรามีสติมีใจตั้งมั่นเราจะมีปัญญาขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราชั่วคราวยังพอใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาสติรู้ทันปับ๊บความทุกข์จะดับไปนะความทุกข์ทางใจจะดับทันทีแต่ความทุกข์ทางกายไม่ดับหรอก ตราบใดที่ยังมีเหตุอยู่ก็ยังมีอยู่หรืออกุศลทั้งหลายนะถ้าสติระลึกรู้ปุ๊บดับทันทีส่วนกุศลเนี่ยสติระลึกไม่จําเป็นต้องดับนะเวทนานี่สติระลึกแล้วไม่จําเป็นต้องดับคนละเรื่องไม่ใช่อกุศลถ้าสติตัวจริงเกิดใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าสภาวะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่ตัวเราอย่างเราเห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอยู่พอเราเห็นลงมานะมันจะไม่มีตัวเราพอมันไม่มีตัวเราจริงๆความยินดียินร้ายในรูปในนามในกายในใจจะไม่มีหมดไปเองดังนั้นภาวนาไปถึงสุดท้ายมันจะหมดความยินดียินร้ายในกายในใจนี้ในรูปในนามนี้ เรียกว่าเอาความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้อันนี้เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปนะถ้าขั้นเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราไปรู้สภาวะธรรมแล้วมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาห้ามมันไม่ได้หรอกแต่พอเกิดความยินดียินร้ายแล้วเช่นจิตใจเรามีความสุขนะเราเกิดพอใจขึ้นมาความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่ความรักใคร่พอใจผูกพันในความสุขนี่แหละคือราคะให้เรารู้ทันว่าใจเราพอใจในความสุข ความพอใจหรือราคะนี้ก็จะดับอัตโนมัติเราก็จะรู้ความสุขด้วยจิตที่เป็นกลางจะเห็นเลยว่าความสุขเป็นธรรมอันหนึ่งที่แปลกปลอมผ่านเข้ามาชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเห็นเองนะไม่ต้องคิดไม่ต้องไปนั่งบรรยายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขา บรรยายแล้วฟุ้งซ่านหรือความทุกข์ผ่านเข้ามาถ้าจิตมีสติขึ้นมาจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าดูเห็นกายเห็นใจเป็นความทุกข์ไปเห็นตัวความทุกข์นั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะค่อยๆละความเห็นผิดไปนะทีแรกเห็นแล้วก็ยังยินดียินร้ายเห็นความทุกข์แล้วไม่ชอบเห็นความสุขแล้วชอบ ถ้าถึงจุดนี้เราก็มีสติรู้ลงไปก็จะเห็นความยินดียินร้ายมันดับอัตโนมัติเราก็รู้ความสุขความทุกข์สภาวะธรรมทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆนั่นแหละแล้วจะเห็นเลยว่าไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่ใช่เราการภาวนาทำอย่างนี้นะคอยรู้คอยดูไป ถ้าทำถูกต้องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลบ้างหลายคนนะฟังหลวงพ่อพูดหลายปีมีอยู่คนชื่อแมวบอกว่าฟังหลวงพ่ออยู่เจ็ดปีมาทีใดก็มีแต่ไม่ใช่ไม่ถูกหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปทำสิให้รู้เอาแกก็อดทำไม่ได้นะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกคิดอยู่แบบนี้ตลอดเวลาหาทางทำตลอดเวลาหลายปีนะหลวงพ่อก็พยายามบอกแกอย่าไปประคองอย่าไปบังคับ อย่าไปควบคุมมันรู้มันอย่างที่มันเป็นใจถึงถึงหน่อยสอนอย่างนี้เรื่อยๆสอนแต่ว่าให้ใจถึงแกก็ใจไม่ถึงสะทีนะอยู่หลายปีจนกระทั่งใจฝ่อเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งฝ่อเลยไม่อยากปฏิบัติเลยเราโง่เง่าไม่มีวาสนาบารมีชาตินี้คงไม่ได้แล้วแต่ว่าพอใจฝ่อไปช่วงหนึ่งนะก็กลับมารู้ใหม่ สุดท้ายมาสังเกตดูตอนที่ใจฝ่อๆแล้วไม่ได้ทำอะไรนะหลวงพ่อบอกว่าดีก็ชักงงงแล้วเพราะตอนที่ทำมาตลอดเวลาบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยใช้ไม่ได้ตอนที่เลิกทำไปแล้วนั้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ซื่อหลวงพ่อก็บอกว่าดีแล้วในที่สุดจึงจับหลักได้การปฏิบัติไม่ใช่การทำอะไรแต่คือการรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตังหากไม่ใช่ไปทำอะไร คิดแต่ว่าจะทําจะทํานะไม่สําเร็จหรอกเสียเวลาเนิ่นช้าถ้าเราทําใจสบายสบายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้สึกไปเรื่อยๆจะพบว่าง่ายสุดๆเลยง่ายเพราะไม่ได้ทําอะไรสติก็เกิดเองสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก็ตั้งของเขาเองปัญญาก็เกิดของเขาเองเราทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลย ทำจริงอย่างเดียวคือรู้ถ้าลองไปอ่านมหาสติประธานสูตรจะพบว่ากิริยามีอยู่ตัวเดียวคือรู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้เลิกหายใจแล้วก็รู้มีนะขั้นที่สี่เลิกหายใจมันจะมาหายใจทางผิวหนังนะจมูกหายใจแค่นิดเดียวถ้าใครภาวนาอานาปนสติ มาได้ถึงจุดนี้แล้วถูกเข้าจับใส่ตู้ขังไว้นะจะตายทีหลังเพื่อนเพราะไม่ค่อยหายใจเท่าไหร่เนี่ยมันมีแต่คําว่ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้จะคูดจะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลขวาจะก้าวไปจะถอยหลังก็รู้กิริยาไม่อยู่คําเดียวนะคือคําว่ารู้ดูให้ดีมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยเฉยก็รู้ จิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคากรระก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้สังเกตไหมกิริยามีแต่คำว่ารู้เท่านั้นทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่พวกเราไม่เชื่อพวกเรารู้อย่างเดียวไม่พอเราคิดแต่ว่าจะทำทำอย่างไรจะถูกทำอย่างไรจะถูกสอนกันด้วยนะต้องทำให้เยอะๆนะแทนที่จะสอนว่าให้รู้เยอะๆรู้บ่อยๆกิริยาจริงๆมีแต่คาว่ารู้ในสติ ป, ปัฏฐาน แล้วคำว่ารู้ในสติปัฏฐานมีอยู่สองนัยยะต้องรู้ได้ทั้งสองนัยยะรู้อันหนึ่งคือรู้ด้วยสติรู้อันที่สองรู้ด้วยปัญญาอย่างยืนอยู่ก็รู้ว่ารูปมันยืนทีแรกอาจจะนั่งอยู่แล้วก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนเรามีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปว่ากำลังเคลื่อนไหวแล้วก็มีปัญญารู้ว่าตัวที่เคลื่อนไหวนี่เป็นแค่รูปนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นเพียงวัตถุาธาตุกาลังเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดู รู้นี่มีสองระดับสองนัยยะอันแรกมีสติรู้กายรู้ใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันที่สองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นความจริงของเขาก็คือความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองวันนี้พูดเรื่องสติปัฏฐานนะเริ่มตั้งแต่ให้มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นบ้านไม่ใช่คุกไม่ใช่เอาไว้เพ่งแต่เอาไว้อยู่ถ้ามีธุระออกนอกบ้านได้เสมอ ส่วนการปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปเพื่อแผดเผากิเลสนะเรียกว่าอาตาปีไม่ใช่สนองกิเลสรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าหลงไปอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเอาแต่เพ่งไว้มีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้ามันยินดียินร้ายในรูปในนามในกายในใจที่ไปรู้เข้าให้รู้ทันความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับไปนี่เป็นในเครื่องหมายคําพูด วิเนยะโลเกอภิชาโทโมณ ส, สังเสร็จแล้วเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงจะรู้รูปรู้นามตรงตามความเป็นจริงคือพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติรู้ ป, ปั๊บเลยปัญญาเข้าใจเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือนั่งอยู่สติระลึกได้เลยว่ารูปมันนั่งอยู่ปัญญาก็รู้ทันเลยว่าตัวที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้น หรือความสุขเกิดขึ้นนะสติรู้เลยความสุขแปลกปลอมเข้ามาในใจแล้วปัญญาก็รู้ทันอีกความสุขเป็นแค่นามธรรมาอันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ได้บรรยายแบบนี้นะมันเป็นความรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่พอบรรยายเป็นภาษาคนเลยใช้คํายืดยาวเห็นนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นนามธรรมาอันหนึ่งเวลาภาวนาจริงๆมันไม่พูดอย่างนี้นะไม่ต้องมาช่วยมันบรรยายนะ แค่เห็นว่าความสุขมันเป็นของแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้เลือกไม่ได้อันนี้ปัญญามันจะสรุปทีหลังไม่ต้องไปนั่งคิดเอานะอย่าไปนั่งคิดเอาให้รู้เอาเพราะกิริยามีอยู่คําเดียวคือคําว่าในเครื่องหมายคําพูดรู้มีสติรู้สภาวะซึ่งก็คือรูปกับนามที่ปรากฏมีปัญญารู้ลักษณะซึ่งก็คือไตรลักษณ์นั่นเอง สติเป็นตัวรู้สภาวะปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะสมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นในขณะที่รู้สภาวะและรู้ลักษณะสมาสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นใจจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างสบายๆไม่ใช่ตั้งเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูแข็งๆบางทีตั้งไว้เหนือหัวเหมือนดาวเทียมแล้วก็ดูย้อนลงมาอย่างเข้มแข็งอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมากไปตั้งตัวผู้รู้แรงเกินไปรู้สบายๆรู้ไป